ครับสิ่งแรกต้องขอข อ, ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับทุกท่านที่ฐานเผื่อผมก็สอบเสร็จไปเมื่อวันข้าวที่แล้วเนี่ยก็ผ่านมีเงินขายนิดหน่อยคือมาทําให้สวย <laughs> ทําเรื่องวิทยาศาสสวยก็เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับก็จะรับปัญญาจริงวันที่ไม่วันที่จําไม่ได้แต่เดือนเดือนกันยาเดือนกันยานะครับก็ต้องข อ, ขอบคุณพระเจ้าและที่สําคัญคือว่า การเรียนก็ต้องทำาเข้าใจบางคน อ, อาจจะไม่เข้าใจเรื่องของคำว่าดีมินหรือด็อกเตอร์มิสทรีนะไม่เกี่ยวกับ PhD ด mm ี hmm. อาจจะเรียนยากกว่าเพราะนั้นจะเกี่ยวข้องทางวิชาการโดยตรงอันนี้เกี่ยวข้องว่าวย่อมาจากเรื่องของอเป็นการรับใช้หรือว่าด้านพันตาจินะด้านภัตตาจิตในทาง ทางสายการทำเกิจมีหลายสายเช่นสายมิชโลจีก็คือพันธกิจโลกแต่นี่คือพันธกิจที่การบริหารจัด ก, การการทำพันธกิจ ท, ทั่วไปนะฮะถามว่ายากมันก็ยากนะยากแต่ว่าแต่ยากระจบง่ายทําความพาใจยากง่า ก, กจบง่ายเป็นการยืนยันพเจ้าในเรื่องของการการส่งเรียกให้เรียนนะไม่ใช่เป็นเรื่องของอยากจะเรียนก็เรียนเพราะว่าถ้า ถ้าเรียนโดยไม่มีเป้าหมายก็ไร้ความหมายจริงๆนะฮะนั้นเมื่อเรียนก็มีเป้าหมายประจชัดเจนที่เจ้าให้เรียนนะครับเราเรียนเพื่อคนอื่นไม่เรียนเพื่อตัวเองอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นเมื่อพูดถึงยากมันก็ยากเรื่องของภาษาเนะเพราะการเรียนนี้เขาใช้ภาษาอังกฤษร้อยเนต์นะภาษาอังกฤษร้อซนั่นก็ทนทุกข์กับกวัน ว, น, วนหนึ่งมันอยู่กับภาษาอังกฤษ8ดชั่วโมงองี้นะแดชั่วโมงในแต่ละวิชาแต่วิชาเนี่ย อาชีพยากที่สุดคือตอนที่ไปอยู่ที่อเมริกาหนึ่งเดือนอต้องเรียนภาษาอังกฤษที่สำคัญคือทําการบ้านเป็นภาษาอังกฤษอยู่เมืองไทยพอไหวนะก็ยังสบายๆนะฮะยังถามนู่านีอันนี้ถามใครไม่ได้ต้องทำเองรายงานเองหนึ่งเดือนเต็มๆอันนี้นคือส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าก็สุดท้ายแล้วพระเจ้าก็ให้ผ่านนะต้องยอมรับพระเจ้าให้ผ่านคงไม่ใช่ความสา ม, มารถอะไรเรามากมาขนาดไหนนะฮะวัตถุประสงค์ก็คือการที่เราจะมา ปรับนาคติก็ดีการรับใช้พระเจ้าการาช่วยเหลือพันธกิจในภาพรวมต่างๆนาะที่เรียนมาในเถ้าเป็นประโยชน์สูงสุดแล้วก็ตอนทำอิทิพลก็วิชาที่ทำเรื่องที่ทำไม่ใช่รมก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องใช้กันตลอดชีวิตกับการรับใช้พระเจ้านะนั่นก็สิ่งที่ทําไปก็จะเป็นประโยชน์ต่องานรับใช้พระเจ้าทั้งในของเราทั้งของอในประเทศไทยด้วยในภาพรวมที่เกิดขึ้นนั้นอีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณผู้มีส่วนนะ ในบทนี้มีหลายคนมีส่วนกัผมอะแม่เด็กๆ ก, ก็มีส่วนเลยเพราะเด็กตัออกไปทําสํารวจพระเจ้าไปแจกแบบสอบถามใช่ไหมแบบสอบถามไม่แบบสอบถามต้องมานั่งสัมภาษณ์คือไม่ได้ไม่แจกเข้าไปแล้วก็กรอก ๆ, ๆแล้วสัมภาษณ์ก็งขอบคุณเยาวชนอนุชนที่มีการช่วยแล้วก็หลายบทช่วยอย่างน้อยสีบทในโลกที่ช่วยผมทํางานนี้นะครังขอขอบคุณพระเจ้านั้นมาเราพูดถึงเมื่อพระเจ้าทรงเรียกสําคัญ ตอนนี้ผมสังเกตหลายครั้งไม่เพ่อหลายเรื่องหลายอย่างในประเทศไทยเนี่ยพระเจ้ากำลังรนรงกําลั ง, ง, งเร้าใจให้คิดจักของพระเจ้าเนี่ยหันกลับมาทําความเข้าใจแล้วก็หันกลับมามั่นใจกับการทรงเรียกการทรงเลือกของพระเจ้านะฮะอันนั้คือสิ่งสำคัญที่เราต้องมาทําความเข้าใจแต่เนื่องจากประเทศไทยเราอาจจะมีพื้นฐานเรื่องของอ พวกเนี้ยในอีกมุมหนึ่งเราจึงมองว่าเรื่องการทรงเรียกเนี่ยเป็นเรื่องความเข้าใจยากนะฮะเพราะเราเป ร, เปรียบเทียบกับความเชื่ออื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับหมายสําคัญการสัจักร่างต่างพวกเนี้ยก็เลยทําให้ว่าการทรงเรื่องการทรงเรียกเป็นเรื่องยากและดูเหมือนว่ามันทําให้เกิดการอะไรสับสนนะฮะเหตุผลที้สับสนอันดับแรกเพราะเนื่องจากเรามีกรอบบางครั้งเราไปสร้างกรอบให้พระเจ้าว่า ถ้าพระเจ้าทรงเรียกเขาต้องเป็นอย่างนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรต่างพวกนี้ยหรือว่าจะมีและกรอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะกรอบแต่ละคนม่เหมือนกันก า, การกําหนดกรอบให้พระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าทรงเรียกจะต้องเป็นแบบนี้หนะ้าอะไรต่างๆเนี้ยถ้าการกำหนดกรอบแบบเป็นเรื่องของภาพรวมๆได้แต่ถ้ากำหนดกรอบแบบเป็นเป็นตักหลักตายตัวนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเดี๋ยวจะมาคุยว่าเพระเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเนี่ยพระองค์ไม่ได้ทําอะไรมากนะักนะพระองค์ทําระงเองเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับ แล้วก็อีสองที่ทําให้ริตเซียนสับสนก็คือเรื่องของความไม่มั่นใจเพราะเราเหมือนเมื่อพระเจ้าทรงเรียกปั๊บเนี่ยเหมือนเหมือนคำที่ใหญ่แล้วเรามีความสึกจะพูดคำเยอะไปเนี่ยดูเหมือนคนไม่ถ่อมตัวนะนะดูเหมือนเป็นคนที่อ่าโอดอ้างและแต่แต่พวกนี้แล้ว ห, หรือบางคำางคาก็ดจาความไม่ชอบด้วยบางทีมั่นใจพระเจ้าเรียกแต่ไม่ชอบไม่ชอบงานที่พระเจ้าเรียกให้ทําเราไม่ชอบ <laughs> ไม่ชอบงานนี้เราเลยหาทาง ออกไปทางอื่นนะฮะหรือบางครั้งเพราะกลัวกลัวว่าจะทำได้ไหมอะไรต่างได้ไหมอะไรต่างพวกนี้และที่สำคัญคือที่ไม่มั่นใจว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าทำอย่างนั้นและพระเจ้าทำนี้ทำให้การทรงเรียกในขะึ้นจากการทรงเรียกในส่วนบุคคลทั้งหลายแต่ละคนเนี่ยมันมีปัญหาและพระเจ้าเราทำอะไรไม่ได้มากนักเมื่อเราไม่ได้เข้าไปสู่ในการทรงเรียกของพระเจ้า อันนี้เรื่องสำคัญเลยพระเจ้าจะทําอะไรกับเราไม่ได้มากนักถ้าเราไม่เข้าไปสู่การทรงเรียกของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ามีการทรงเรียกเนี่ยพระองค์ก็จะทําอะไรบางอย่างเพื่อรู้ว่าเราจะไปทางไหนแบบไหนนั่นมีสามขั้นตอนที่พระเจ้าจะทําเกี่ยวเรื่องการทรงเรียกของพระเจ้านะครับพระเจ้าสําเดงจพวกเองกับเราอันดับแรกเลยสําเดงจพวกเองกับเราอันที่สองพระเจ้าจะบอกพระประสงค์กับเรา พระประสงค์ที่ปรงองทรงเรียกเราเนี่ยคืออะไรด้านสามพระเจ้าจะเรียกร้องให้เราเนี่ยเชื่อฟังปรุงอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าจะทํากับเราล้วนๆและเราสังเกตดีเราจะเข้าใจไม่ยุ่งยากเลยเกินไปจะไปถ้าเราคิดมากแล้วไปวางกรอบมากอะไรต่างๆมากหรือไปเปรียบเทียบกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราไปดูในบุคคลที่พระเจ้าทรงเรียกเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยพระเจ้าก็ทําแบบสบายๆนะและแต่ละคนพระเจ้าก็ เรียกไม่เหมือนกันด้วยนะเรียกไม่เหมือนกันมีหน้าที่มีสิ่งต่างไม่เหมือนกันนะครับนอกจากอันเดียวที่เหมือนกันคือวัตถุประสงค์ใหญ่ของพระเจ้านะวัตถุประสงค์ใหญ่ของเจ้านี่เหมือนกันเลยคือพรมหาบรรชาตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์เนี่ยเกี่ยวข้องพมหาบรรชาในวัตถุประสงค์หลักการทรงเรียกของพระองค์เพื่อให้ตอบสนองพมหาบรรชาแต่ทุกคนจะตอบสนองพมหารรชาโดยความแตกต่างกัน ที่พระเจ้าจะกําหนดแต่ละคนว่าจะคุณจะตอบสนองพระมหาชาแบบไหนอย่างไรงต่างๆพวกนี้มันจะไม่เหมือนกันอันนี้คือความแตกต่างนั่นจากพระพรีที่พูนนำในอ่านไปคือปฐมกาลบทที่หนึ่งบทที่สิบสอข้อ1นึงหเนี่ยพูดถึงเรื่องการทรงเรียกอับราฮัมแล้วอับราฮัมก็มาตามการทรงเรียกเมื่ออับราฮัมมาการตามการทรงเรียกพระเจ้าก็บอกวัตถุปสงค์ว่า พระเจ้าจะทําอะไรกับอับราฮัมและสิ่งสําคัญก็คือว่าท่าทีของอับราฮัมในการเชื่อฟังการส่งเรียกนั้นเราจะร่วมใจฐานด้วยกันพระบดาเจ้าจสรรเสริญขอบมีความรักความเมตตาของพรงษ์พระพีตอนนั้นรับการดลใจซึ่งมาจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระองค์จะพรักพร้อมในการทําการในทุกอย่างไว้พรอในคำหลักคนในการเข้าใจในพระเจ้าโดยการสแสดงภูมิยานบริสุทธด้วยจึงสรนเสริมและขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าตรัสทั้งหลายตามชอบพระไถยของพระองค์กับแต่ในแต่ละคนในชีวิตของหลายแต่ละคนด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณในความรักความเมตตาความกรุณาของพระเจ้าในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนนั้นสิ่งที่ให้ดูน่าเป็นตัวอย่างมากกว่า เราคงไม่มีคําจํากัดความว่าพระเจ้าทรงเรียกเรานั้นเนี่ยการสั่แสดงของเองเนี่ยพระองค์ทำอย่างไรแบบไหนนะตัวอย่างจัแรกคือเรามาดูตัวอย่างของอับราฮัมนะฮะในบทที่สองข้อนหนึ่งของพระธรรมปฐมกาลได้กล่าวว่าพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าเจ้าจงออกจากเมืองจากญาติพี่น้องจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะบอกเจ้าให้รู้ความพีบอกว่า พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมพระเจ้าพูดกับอับราฮัมแต่เราไม่รู้ว่าพระเจ้าพูดแบบไหนเราไม่รู้จริงพระเจ้าพูดไงพระเจ้าสั่งกับอับราฮัมแบบไหนไม่บอกแต่สรุปความว่าพระเจ้าทรงเรียกทรงตรัสกับอับราฮัมอันนั้นคือสิ่งคัญไม่มีอะไรที่มากกว่านี้นอกจากพระเจ้าพูดด้วยพระเจ้าทรงเรียกคือพระเจ้าพูดด้วย แต่พระเจ้าจะพูดแบบไหนอย่างไรเราก็ไม่บอก พ, อพ่อพี่ไม่บอกนะแต่บอกพระเจ้าพูดด้วยนะการพูดมีหลายอย่างพูดไปต้องใช้เสียงก็ได้นะนะการพูดการสื่อสารเนี่ยนะบางทีการมองตาก็สามารถบอกได้ว่าฉันกำลังจะพูดว่าอะไรก็ได้หรือบางทีการท่าท่าทงบางอย่างนะก็อาจจะรู้ว่าเขาลังหมายความว่าอะไรก็ได้เป็นการสื่อความหมายแงนัำแรกคือพระเจ้าพูด นั่นคือสิ่งที่มองเห็นว่านั้นพระเจ้าสำแดงกับอับราฮัมโดยการที่พูดคุยกับอับราฮัมอย่าลืมนะฮะอับราฮัมเนี่ยไม่ใช่คนยิวอับราฮัมไม่ใช่คนยิวอับราฮัมไม่ได้มีพื้นฐานมาจากคนที่เชื่อในพระเจ้าอับราฮัมเป็นคนที่มีพื้นฐานมาจากคนกราบไหว้รุกรพนั่นคืออับราฮัมอย่ามองว่าอับราฮัมเป็นคนยิวอย่ามองอันนั้นนะ อับราฮัมไม่ใช่ยิวแต่ลูกหลานของอับราฮัมเราเป็นยิวต้ำำองทาความเข้าใจลูกหลานของอับราฮัมเราเป็นยิวนะแต่อับราฮัมไม่ยิวและคำว่ายิวมาเกิดตอนหลังนะอิสราเอลเนี่ยนะประเทศอิสราเอลชนชาตอิสราเอลมาทีหลังแต่อับราฮัมไม่ใช่คนยิวอับราฮัมไม่ใช่อิสราเอลอับราฮัมเป็นคนที่ไม่รู้จักพระเจ้ามาก่อนแต่พระเจ้าทรง พ, พูดกับเขาพระเจ้าทรงพูดกับเขา นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสำแดงนั้นพระเจ้าสามารถยิ่งเราเป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าพระเจ้าก็พูดกับเราง่ายขึ้นพระเจ้าพูดกับชนชั้ง่ายขึ้นเพราะเขามีพื้นฐานในการรู้จักพระเจ้ามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยพระเจ้าจะพูดอย่างไงแบบไหนเนี่ยเข้าใจได้นะเข้าใจได้นั่นคือสิ่งที่อยากจะให้มองเห็นภาพตรนี้ว่าเมื่อพระเจ้าทรงสำแดงพระเจ้าอาจจะพูดกับเราบอกกับเราคนที่สองโมเสสนะครับ ในพระธรรมอพยพบีสาข้อ1 4ถึงนะอพยพบรสข้อที่1ถึงข้อที่ดูสิว่าพระเจ้าทรงเรียกโมเสสแบบไหนได้กล่าวบอกว่าอพยพบสข้อ1 4ถึงได้กล่าวว่าฝ่ายโมเสสเมื่อเลี้ยงฝูงแพะแกะของเยโทนพ่อตาเป็นปรหิตของคนมีเดียนได้พาฝูงแพะแกะไปทางตะวันตกของถิ่นทุรกันดารจนมาถึงภูเขาของพระเจ้าคือโฮเรบ ธูตของพระเจ้าก็ปรากฏแก่โมเสสท่ามกลางพุ่ไมไม้ไฟพุ่มไม้เป็นเปลวไฟโมเสสมองดูเห็นพุ่มไม้นั้นมีไฟลุกโชนอยู่แต่มีได้ไหมส่มไปโมเสสจึงว่าข้าจะแวะเข้าไปดูสิ่งแปลกประหลาดนี้ว่าเหตุเไหนพุ่มไม้นี้จึงไม่ไหมไ ม, ไม่มีเสียงเรียกไม่มีเสียงตรัสแต่มีต้นไม้พุ่มไม้ไฟเกิดขึ้น แล ะ, ะเมื่อมีไฟเกิดขึ้นต้นไม้นี้ไม่ได้โสมไปไม่ได้ไหมไปอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นโมเสสก็สนใจและเข้าไปดูฮะสนใจแล้วเข้าไปดู อ, ปดอันนี้เป็นการสแสดงของพระเจ้าที่มองเห็นเป็นการทรงเรียกเห็นแล้วโมเสสอยากเข้าไปดูเมื่ออยากเข้าไปดูเขาก็พบกับพระเจ้า อันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือการทรงเรียกเกิดขึ้นจากฟังสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วรเราก็รู้ว่านี่คือการสำแดงซึ่งมาจากพระเจ้าและการสำแดงซึ่งมาจากพระเจ้าก็จะต่อท้ายด้วยการเรียกของพระเจ้าและสำหรับผู้เสด็เนี่ยเขมีโอกาสได้พูด <means sh tensions> คุยกับพระเจ้าในทํานองเดียวกันเมื่อเรามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นมีการสำแดงขึ้นแล้วเรามั่นใจว่ารู้จะกึง่งกึมั่นใจตามแต่ว่านี่เป็นพระเจ้าเราก็จะเริ่มพูดคุยกับพระเจ้า เริ่มถามพระเจ้าว่ามันคืออะไรแบบไหนอย่างไรต่างตาพวกนี้นะก็เป็นการพูดคุยระหว่างเราพระเจ้าแต่จะพูดคุยแบบไหนอ่ะแต่ละคนก็พูดคุยพระเจ้าไม่เหมือนกันนี่นะในคำอิทฐาของเรานั้นไอ้ภาพการทับพระเจ้าทรงเรียกเนี่ยมันเกิดในหลากหลายรูปแบบส่วนดาวิดมาอีกรูปแบบหนึ่งพระเจ้าเรียกดาวิดอีกรูปแบบหนึ่งในหนึ่งสมันเอ็บทที่สิบหกข้อสิบสองสิบสามนะครับ หนึ่งสมัเอ็นบทที่สิบหกข้อสิบสองและข้อที่สิบสามเอลสิบหกข้อสิบสองิบสามได้กล่าวบอกว่าที่ก็ใช้คนไปนำเขามาฝ่ายเขาเป็นคนผิวแดงแมีหน้าตาสวยและรูปร่างงามน่าดูพระเจ้าตรัสว่าจงลุกขึ้นเจิมตั้งเขาไว้เพราะเป็นคนนี้แหละสมัยเอ็นจึงนำขวด เขานื้อมันและเจิมตั้งเขาไว้ท่ามกลางพี่ชายของเขาและพระวิญญาณของพระเจ้าก็สวมทับดาวิดอย่างมากแต่ปัจจุบันเป็นต้นไปและสมเอยก็ลุกขึ้นกลับไปยังรามาพระเจ้าทรงเรียกดาวิดไปไหนโดยผ่านสมัยเอลโดยผ่านสมัเอลให้สมัเอวไปเจิมตั้งให้เป็นกษัตริย์เป็นในที่รู้ว่าพระเจ้าเรียกดาวิดให้เป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอล แต่พระเจ้าก็ไม่ได้เคยคุยกับอะไรดาวิดเลยนะผ่านจากอีกคนหนึ่งนะฮะผ่านจากอีกคนหนึ่งไปแต่ดาวิดต้องทําหน้าที่หนึ่งว่าหลังจากที่รับการได้ยินเสียงพระเจ้าผ่านจากคนอื่นแล้วเขาจะต้องไปแสวงหาพระเจ้าต่อแล้วมาถึงตรงจุดที่ดาวิดมาเป็นกาษัตริย์ก็ ง, งูนเนี่ยอายุสี่สิบนะนะอายุสี่สิบนั้นคือช่วงวัยรุ่นวัยหนุ่มสิบหกสิบเจ็ดประมาณนี้อะไรต่างพวกนี้นะฮะและกลามาเป็น เดิน ก, กษากับปาไปอายุสี่บหลายปีมีการเตรียมตัวหลายปีแต่ดาวิดรู้ว่าพระเจ้าเรียกนั้นการทรงเรียกบางครั้งก็ไม่เกิดกับมาถึงตัวเองอาจจะผ่านใครคนใดคนหนึ่งมาถึงเราแต่เรารู้ว่าเนี่ยเป็นการทรงเรียกของพระเจ้านั้นเพื่อความมั่นใจเราก็ต้องไปไปถามพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งว่าพระเจ้าทําอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อความมั่นใจนั่นคือเรื่องเรา และสุดท้ายเราจะเกิดความมั่นใจว่าพระเจ้าทรงเรียกเราในส่วนของพันธสัญญาใหม่เปาโลในกิจการบ่้าข้อสมถึงอนะครับกิจการบททีข้อสานี่คือเรื่องตัวอย่างของการทรงเรียกนะครับพระธรรมกิจการบทที่เกข้อสามถึอหได้กล่าวบอกว่าเมื่อเซาโลเดินทางใกล้จะถึงเมืองดามัสกัส ในทะเนั้นมีแสงสว่างส่องมาจากฟ้ารอมตัวเขาไว้รอบเขาซาร์าโลจึงล้มลงถึงดินและได้ยินพระสุดเสียงตรัสว่าซาร์โลซาโลเอย๋ยเจ้าข่มเหงเราทําไมเซาร์โลจึงทูลถามว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดพระองค์ตรัสว่าเราคือเยซูซึ่งเจ้าข่มเหงนั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญ และว่พพมพีตอบไม่ข้อหัวแต่เจ้าลุกขึ้นเข้าไปในเมืองและเจ้าต้องทำประการใดจะมีคนบอกให้รู้อันนี้พระเจ้าสำแดงโดยตรงและมีความชัดเจนของเปาโลว่าพระเจ้าตรัสเรียกเขาเปาโลได้ยินได้ยินเสียงคนข้างๆก็ได้ยินเสียงแต่คนไม่เห็นเหมือนเปาโลเห็นนั้นคือสิ่งที่จะมองเห็นว่าบางครั้งพระเจ้าเป็นเสียงให้เราได้ยินซึ่งก็ ไม่แน่เป็นบางรายไม่ใช่ทุกรายเหตุการณ์อย่างเปาโลเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเป็นเหมือนเหมือนกันทุกคนงนั้นการทรงเรียกของพระเจ้าที่มาถึงเราเนี่ยมาในหลากหลายรูปแบบมาตามาความเหมาะสมนะฮะทีะ่พระเจ้าจะทำอะไรกับเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะไปแสดงพระองะค์เองแกเราตามความเหมาะสมของแต่ละคน มันจะเป็นยังไงแบบไหนแต่ทุกคนจะรู้อย่างหนูว่าพระเจ้าทรงเรียกจะเกิดขึ้นอย่างไรแบบไหนก็ตามแต่พระเจ้าสั่แสดงเขาแบบไหนก็ตามแต่แต่เขารู้เงือนเนี่ยพระเจ้าทรงเรียกแต่เรามาอยู่คําเดียวอ่ะพระเจ้าทรงเรียกและเมื่อพระเจ้าทรงเรียกในภาษาไทยจริงแล้วก็ในความคุ้นเคยคือเหมือนมีเสียงพูดแต่จริงผมก็บอกว่ามันไม่ใช่มันเรื่องการสั่แสดงของพระเจ้าถ้าถามาพระเจ้าทรงเรียกผมแบบไหนอ่ะ ผมก็ไม่เคยได้ยินเสียงพระเจ้านะแต่พระเจ้าเรียกผมมันมีอะไรบางอย่างถ้าเอาเอาเรียกตอนกลับใจใหม่ก็เรียกกันแบบหนึ่งเป็นเรื่องของเสียงพิมพ์ดังขึ้นมาในความคิดไม่เสียงที่ดังทำไมรู้หูว่าอยากเป็นคนดีก็ไปเรียนพัมพีเอากันง่ายง่ายเนี่ยนะเพราะถ้าพูดมากอันนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องอนะจะบอกจะไปเรียนทําไมพระเจ้าไม่พูดนะ แต่พอผมเริ่มเรีย น, นพัมพีผมเริ่มรู้ว่าอ๋อพระเจ้าเรียกมาเรียนพัมพีทําไมไม่เกี่ยวกับการเป็นคนดีนะไม่เกี่ยวกับการเป็นคนดีแต่ว่ามีส่วนมีส่วนในการปรับเปลี่ยนชีวิตมีส่วนในการที่จะปรับเปลี่ยนนิสัยอ่าเพราะว่าที่แน่แน่คือว่าเมื่อเมื่อผมเข้าในพันคิสตรมผมก็มีภาพในสมองนะภาพในสมองของผมเนื่องจากผมมีคริสเียนใหม่เรียนคิดเยนได้มีถึงสองปีเดียก็ตัดสินใจพระเจ้าเรียกมาเรียนพระคิสตรม แล้วผมนึกภาพเสมอว่าโรงเรียนพระคิดธรรมเนี่ยจะเป็นเหมือนกับสวรรค์น้อยๆ น, นะและทุกคนที่เข้ามาเรียนพระพีเนี่ยจะเป็นเหมือนทูตสวรรค์ผมมีความสึกว่าผมจะเข้าไปที่นั่นนะผมจะได้รับการพึ่งพาอาศัยนะจะไปพึ่งพาเขาพบมีความมั่นใจว่าคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่มีประสบการณ์พระเจ้าเยอะมากนะฮะอะไรต่างพวกนี้ก็ฝันอย่างนั้นนะแต่เข้าไปจริงๆไม่ใช่นะฮะ แทนที่เราจะพึ่งเขาในเขากำลังพึ่งเราเขาพึ่งเรานะเกี่ยวข้องอนะไรเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในพระเจ้าเกี่ยวข้องประสบการณ์ในพระเจ้าอันนั้นคือส่วนที่มองเห็นว่าพระเจ้าจะสำแดงกับเราทั้งหลายแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันและสิ่งเหล่านั้นนะเรียกว่าการส่งเรียกเจ้าส่งเรียกผมให้ทําอะไรผมรู้แต่ไม่เคยได้ยินเสียงพระเจ้าเมื่อรับเชื่อือพระเจ้าไปใหม่เมื่อเริ่มในการรับใช้พระเจ้า นันผมก็บอกว่าตั้งแต่ผมมาเป็นคริสเตียนเนี่ยผมมีโอกาสเป็นสมาชิกธรรมดาได้แค่หกเดือนเชื่อก็เชื่อไม่เข้าใจอะ่ะเรียกทำนิธรรมดาแต่หลังจากนั้นก็รับแท้พระเจ้าหมดเลยรับแท้พระเจ้าหมดเลยนั่คือก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและก็รู้ว่าสิ่งพระเจ้าอยากให้เราทําคืออะไรเช่นสิ่งพระเจ้าอยากทำคือเรื่องของเอพระเจ้าจะฟื้นฟูประเทศไทยพูดถึงพระเจ้าจะให้ คิดจักรไทยเป็นเอกภาพเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันไม่คณะนิกายไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรต่างๆมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในความรู้สึกในจิตใจแล้วเรามีความมั่นใจแล้วก็มีความมั่นใจมาเป็นสิบสิบปีไม่ใช่เพิ่งจะมามั่นใจแล้วก็เกิดภาพจริงๆเมื่อมาสักหกเจ็ดปีทึ่งผ่านมาที่ภาพชัดเจนว่าคริดจกักรเมตมีภาพเป็นความเป็นเอกภาพความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน คนะณะนิกายไม่มีผลต่อการรวมตัวคริสเตียนมากนักยังมีอยู่บ้างแต่ไม่มากนักแต่บรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปเยอะอันนั้นคือการทรงเรียกซึ่งมาจากพระเจ้าและพระเจ้าสัมดงกับเราทั้งหลายแต่ละคนและเราเองก็มั่นใจว่าอันนี้พระเจ้าทรงเรียกเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเสร็จแล้วเนี่ยสิงพรุงทํทำมาคือว่าพระองจะบอกพระประสงค์ของพระองค์พระประสงค์ของพระองค์ว่าเรียกเราให้ทาอะไรนะฮะ และลักษณะงานที่เรางทำเนี่ยเป็นแบบไหนพระเจ้าจะบอกถ้าเราตั้งใจสังเกตนะใช้คาสังเกตแทนการการฟังเนะถ้าเราตั้งใจสังเกตเราจะรู้ว่าพระเจ้าเรียกเราให้ทำอะไรลักษณะงานที่เราต้องทำคืออะไรนั้นที่พระเจ้าเรียกอับราฮัมนะพรงบอกวัตถุประสงค์เลยนะครับ บอกวัตถุประสงค์หลักว่าพระองค์เรียกอร拉ฮัมเนี่ยมาทําอะไรในข้อที่สองของพระธรรมบทมกาญับทที่สิบสองว่าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรแก่เจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเรื่องลือไปแล้วเจ้าช่วยผู้อื่นได้รับพรเราจะอวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้าเราจะสาปคนที่แช่งเจ้า บรรดาเผ่าพันธุ่โลกจะได้พรพระเจ้าพระเจ้าบอกวัตถุประสงค์เรียกมาเพื่อให้เป็นชนชาติใหญ่เรียกมาเพื่อจะได้เป็นพรกับคนทั้งโลกให้มีชื่อเสียงใหญ่โตเรื่องลือไปพระเจ้าบอกวัตถุประสงค์ชัดว่าเรียกมาทำอะไรและลักษณะงานของอับราฮัมคือว่า จะทําให้คนอื่นเนี่ยได้รับพรนะทำคนอื่นได้รับพรงานของอับราฮัมคืองานที่ทําให้คนอื่นได้รับพรลัรกษณะงานของอับราฮัมและงานของคริดจักของพระเจ้าทั่วไปก็ไม่แตกต่างกับสิ่งที่พระเจ้าแต่อับราฮัมก็คือทําให้คนอื่นได้รับพรเราที่ทำเนี่ยเป้าหมายคือคนอื่นจะต้องได้รับพร แต่ถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยคนอื่นไม่รับพอเนี่ยก็เป็นปัญหาพอสมควร เ, เป็นปัญหาพอสมควรมาจัดได้อ่านว่นพีในเอวิซัตบทที่ห้าข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยก็น่าคิดพร้อมควรว่าตรงให้เราเรียนแบบพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักจนชิดในความรักเหมือนพระเยซูคริสต์ที่ได้ถวายพระองค์เองเพื่อเราต้องหลาย ให้เป็นที่โปรดปรานแด่พระเจ้าอันนั้นคือของงานของพระเยซูคริสต์งานของเรานั้นถ้าใครมาถามเราว่ า, อ, าอยากจะเป็นเหมือนใครนะบางคนอยากเป็นเหมือนโมเสสเหมือนอับราฮัมเหมือนเปาโลแต่สุดท้ายไม่เอาเพราะถ้าเหมือนเปาโลสุดท้ายถูกตัดค อ, อถ้าเหมือนเปตโตรก็ไม่เอาอีกเพราะถูก ทายถูกตึงที่มางเขนนะเขาเมีเอาเป็นเหมือนยอนบทที่รักเป็นบนทที่รักใกล้ชิดพระเยซูก็ไม่เอาอีกเพราะว่ายอนถูกปล่อยเกาะจอถูกปล่อยเกาะสภาพแต่แต่จริงเนี่ยเราไปอิงคนถ้าใครถามเราเนี่ยอยากจะเป็นเหมือนใครเอเปซัสบทที่ห้าข้อหนึ่งจงเป็นเหมือนพระเจ้าคำที่ไม่คําพูดเกินเลยนะไม่คําพูดอวดตัว แต่เป็นพระประสงค์พระเจ้าจงเรียนแบบพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรทิรักของพระองค์ไม่ต้องเรียนแบบใครคนอาจจะเป็นแค่แรงกระตุน้นแรงบัรดาลใจให้เราที่จะเป็นเหมือนพระเจ้าให้ได้อย่าเป็นเหมือนใครเาัาเป้าหมายสูงสุดพระเจ้าการเราอะจงเป็นเหมือนพระเจ้าและดำเนินชีวิตเหมือนพระเจ้าคือในความรักอย่างพยศุคคิด อันนั้นคือสิ่งสําคัญนั้นถ้าเราเป็นเหมือนพระเจ้าแต่ไม่มีความรักโหดมากจะลงเอยแบบโหดเช่นถ้าเราจะพยายามเป็นคนที่ทําแต่ปราศจากความรักจะลงท้ายแบบโหดเพราะเราจะเอาเรื่องถูกเรื่องผิดเป็นตัวตั้งถ้า เ, าเรื่องถูกเรื่องผิดตัวตั้งเนี่ยมีปัญหาเยอะ พาคนเข้าสวรรค์นี่ยากเย็นแสนเข็ น, นะยากเย็นแสรเข็แต่ครั้งเราผลักคนตกรกแบบไปง่ายเพียงแค่ตัดสินบนพื้นฐานว่าถูกหรือผิดเลยกว่าแล้วเข้ามาขึ้นสวรรค์นยากแสนยากผักเข้าตกรกถูกหรือผิดไปเสียเรื่องถูกผิดนะ การตัดสินนั้นต้องบนพื้นฐานเขาว่ารักรักแปลความว่าไม่ได้แปลความว่าอารมุนอรวยแปลการตัดสินนั้นจะต้องมีพื้นฐานแห่งการช่วยเหลือตามมาเหมือนพระเจ้าตัดสินอาดามฮาวาเนี่ยถ้าเจ้ากินเมื่อไหร่เจ้าต้องตายแล้วพระเจ้าทำจริงไหมทําจริงแต่ด้วยความรัก มีการช่วยเหลือรองรับตามมางูกับเจ้าจะเป็นศัตรูกันจะแหลกแต่ส้นเท้าของเจ้าจะฝกชำ้ำพูดถึงการช่วยเหลือของพระเจ้าหลังจากการลงโทษแล้วพระเจ้าจะช่วยเหลือเขากลับคืนมามีชีวิตกับพระเจ้าได้อย่างไรมันมีการช่วยเหลือมารองรับไงเหมือนอาการพิพากษาของคนในโลกเนี้ยสารตัดสินพิพากษาเนี้ย ตัดสินให้ติดคุกแต่ไม่จบที่การติดคุกเพราะนคุต้องมีการเตรียมการว่าคนเข้าคุกแล้วจะต้องช่วยเหลือเขาแบบไหนเช่นให้การศึกษาให้อาชีพให้อาจิตสำนึกในความชอบธรรมนะในคุ ก, กมันมีอะไรอนุศาสตร์ซึ่งสอนเกี่ยวเรื่องศาสนาให้ความชอบธรรมไม่ให้จบแค่การติดคุก แต่ต้องมีการช่วยเหลือตามมาเพื่อคาดหวังว่าเขาออกจากคุกแล้วเขาจะดีนั้นคุกจะบอกว่าเป็นที่ดัดสันดาลได้อาจจะรุนแรงหน่อยถ้าทําให้มันคบกบระวนทางแต่ส่วนใหญ่คำว่าดัดสนินดานของเรามักจะแปลความว่าลงโทษแต่ว่าคำดัดสนินดานจริงแปลว่าหาทางแก้ไข อยู่ในคุกต้องมีการเรียนมีการฝึกฝนมีการกระทําการดีมีอย่า ง, างและจะมีรางวัลแห่งการให้อภัยเมื่อคุณทําดีใช่ไหมมันไม่จบด้วการทีพักษาวาติคุกหรือไม่ติดคุกไง น, นั้นเมื่อพระเจ้าตัดสินลงโทษใครพระองก็มีทางช่วยเหลือตามมาไม่ใช่ไม่มีนั้นอันนี้ก็ส่วนที่มองเห็นว่าลักษณะงานของเราที่ทำเนี่ยพระเจ้าจะให้มีผลมีพรกับคนอื่นนั้นในการเอคำพระเจ้ากั็คอยมองเห็นว่าบางคําคาโอโหูเราเอาคนมากกว่าจะเชื่อพระเจ้าเลยนะ ลงทุนกันเป็นหลายตังค์บางครัง้งบางคาบา ง, บางโอกาสเป็นร้อยล้านนะแต่พอจะเอาคนเอลกเนี่ยง่ายนิดเดียวแค่ตัดสินว่าถูกหรือผิดแล้วก็จบละพระเจ้าไม่เคยจบตรงนั้นพระเจ้าต่อเนื่องนั้นถ้าเราเข้าใจลักษณะงานพระเจ้ากับเราว่างานที่เราทำจะต้องเป็นพรกับคนอื่นแต่ไม่ได้แกลว่าละเลยในสิ่งถูกหรือสิ่งผิด นั้นอับราฮัมจะเป็นพของคนต่างชาติกับคนทั่วไปคนทั่วโลกอับราฮัมจะมีชื่อเสียงใหญ่โตนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าบอกกับอับราฮัมนั้นก็หนุนใจมาถึงโมเสสเหมือนกันนะครับลักษณะงานของโมเสสในพระธรรมอพยยบทที่สามข้อเจ็ดถึงสิบอพยพบทที่สามข้อที่เจ็ดถึงข้อท่สิบอ่านัางข้อก็แล้วกันนะ ขาอแปดว่าเรามาเพื่อจะช่วยเขาให้รอดจากมือชาวอียิปต์และนำเขาออกจากประเทศนั้นไปยังแผ่นดินทีูดมกว้างขวางเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งหลายบริบูรณ์คือไปยังที่อยู่ของชาคนอันคนฮิไไยคนอา ม, มูไรคนเปรีซีคนฮีวายและคนเยบุสบัดนี้เสียงคำควรของชนชาติเซนมาถึงเราแล้วเราใช้เจ้าให้เฝ้าพาฟาโรเพื่อเจ้าจะได้พาประชากรเรา คือชนชาติเซนออกจากอียิปต์งานของโมเสสคือพาชนชาติเซนออกจากอียิปต์และไม่เพียงแค่นั้นคือให้เขาไปครอบครองแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้ให้ในสมัยของอับราฮัมซึ่งผ่านแล้วสี่ร้อยปีผ่านส0รอยปีนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่ โมเสสได้รับว่างานของโมเสสคือพาชนชาติอิสเอ็ออกจากประเทศอียิปต์และไปยังแผ่นดินที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้เป็นงานของโมเสสเลยลักษณะา ง, งานงโมเสสต้องคอยอทำไงจะพาคนเนี้ยเหล่านี้ไปมันไม่ใชยากนะไม่ยากเราจะเห็นว่าบางคำบางคาโมเสสต้องเอาชีพเข้อแรกอะ่ะการจะพาชนชาติเซนไปถึงที่หมายเนี้ยโมเสสต้องเอาชีพิข้อแรก ตอนไหนตอนที่พระเจ้าบอกว่าจะทําลายชนชาติเสเ็จแล้วและตั้งชนชาตใหม่ขึ้นมาคือจากโมเสสโมเสสบอกแมเอาให้ข้าพงตายสิดีกว่าข้าพงจะประหารชนชาติเสเ็จโมเสสเอาชีวิตเขาแรกนะบางครั้งบางคาหลายครั้งบางคาในการจะช่วยใครสักคนก็เอาชีวิตเขาแรกเหมือนกันนะเอาตัวเขาแรกเหมือนกันนะเพื่อช่วยเขาอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งลักษณะงานที่หมองเห็น เป้าหมายที่เจ้าให้เมื่อพระเจ้าทรงเรียกเป้าหมายพระเจ้าทรงเรียกนะฮะดาวิดก็เหมือนกันนะฮะเมื่อพระเจ้าทรงเรียกก็มีเป้าหมายนะฮะให้เขามีบัลลังก์ที่มีคนนั่งตลอดไปเป็นนิดกาลังพูดถึงคำพยากรณ์ว่าพระมาสิฮาจะมาผ่านทางเชื้อชาติของดาวิดในตระกูลยูดาห์กลังพูดถึงว่าการช่วยเหลือพระเจ้าชาวโลกนี้ จะผ่านมาทางวงศตระกูลของดาวิดคือพระมาสิห์และพระเยซูคริสต์ก็เกิดในตระกูลดาวิดบรรลังของดาวิดไม่มีสสุดพระเจ้ามีลักษณะว่านี่คื อ, อสิ่งพระเจ้ายืนยันเอาไว้และจะเห็นว่าตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเสมอว่าดาวิดเนี่ยจะเป็นแบบอย่างของกษัตริย์ที่เชื่อฟังพระเจ้าเฮเซคียา hey, อันเป็นกษัตริย์ที่ดีทําสิ่งต่างถวายกิติพระเจ้าดีแต่ลงท้ายว่า ยังไงก็ตามแต่ยังไม่เหมือนดาวิดผู้รับใช้พระเจ้าของเราตอนนี้ยังยังเข้าใจพระเจ้าไม่ดีพอเหมือนดาวิด ท, ที่เข้าใจพระเจ้าอันนี้คือส่วนนึงที่มองเห็นภาพของดาวิดเปาโลเหมือนกันนะในพระธรรมปีการยี่บหกคนหน่งแปดเนี่ยพระเจ้าบอกเปาโลว่าเราจะใช้เจ้าไปหาคนต่างชาติลักษณะา ง, งานเจ้าคือเปิดตาคนที่ตาบอดให้เขาได้เห็นแสงสว่างของพระเจ้า เป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเปาโลโดเฉพาะนั้นเปาโลทําทุกอย่างแต่ด้วยความรักอิสราเอลก็ยังไม่ทิ้งอิสราเอล น, นั้นเมื่อเขาไปที่ไหนก็จะเข้าไปทำสภ า, าทำสภ า, าคือที่ประชุมของชชาวอิสราเอลในเรื่องของอนวัสการม ว, ว, วันวันวันสปาโตเนี่ยนะเทศนาสั่งสอนเปาโลเข้าไปแต่เมื่อคนอยู่ไปเศษเปาโลว่าเอาเราทำนาทีเรียบร้อยแล้วนั้นเราจะไปหาคนต่างชาติตามที่พระเจ้าบอกเรา นั่นคือสิ่งที่เปาโลทำมาตลอดในเช่นเดียวกันเนี่ยผมรับใช้พระเจ้าก็เหมือนกันลักษณะงานของผมเนี่ยเป็นลักษณะอีกรูปแบบหนึง่งงานของผมคืองานมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูประเทศไทยมีส่วนร่วมในการทําให้คึ้จักเป็นเอกภาพเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนี่นคืองานผมนั้นงานผมจะไม่ใช่งานที่อยู่แต่ในโบสถ์ จะให้คนการเรียนที่ผ่านมาเนี่ยเรียนเพื่อส่วนรวมเรียนเนี่ยเราจะเปิดสถาบันลำบากแล่เรู้ในจ่านเนี่ยในจ่านภาคเหนือตอนล่างเนี่ยมีคนอยากจะศึกษาพระคำพระเจ้าเยอะแต่ว่าไม่อยากไปเชียงใหม่และก็ไม่อยากไปกรุงเทพเพราะมันเสียเวลามากเสียเวลาสี่ 5, ปีห้าปีกว่าจะกลับมารับใช้ทำยังไงที่เขาเรียนได้ โดยไม่เสียการรับใช้พระเจ้ามากนักอันนี้ก็คือนิมิตที่ผมมีจากการสมาชิกของเราบางคนในที่นี้ก็มองเห็นนิมิตว่าพระเจ้าจะให้มีสถาบันเกิดขึ้นนานแล้วยี่สิบปีที่แล้วนะฮะอันนั้นไม่ใช่เกิดจากการไอ้ฐานที่เขาเห็นเขาเองอะไรต่างเขเล่าสู่คุณฟังอันนั้นคือส่วนหญ่มองเห็นภาพเนี้ยผมก็ทำงานด้าน นะฮะต้องบุกเบิกคิดจักทำไมต้องบุกเบิกคิดจักก็ให้รู้ว่าเนี้ยคือสิ่งที่งานพระเจ้าทำและการเราออกไปเนียก็เป็นการช่วยนั้นคือจะให้มองเห็นว่านี่คือลักษณะพระเจ้าจะบอกเรียกเสร็จแล้วพรงจะให้เป้าหมายและลักษณะงานที่เราทำอันนี้เป็นภาพที่เราจะมองภาพชัดแต่ปัญหามันเกิดขึ้นตรงนี้ในข้อทสามพระเจ้าทรงเรียกหลายคนมั่นใจในการพระเจ้าทรงเรียก หลายคนมั่นใจงานที่พระเจ้าทรงใช้ลักษณะงานที่พระเจ้าบอกเป้าหมายที่เจ้าบอกแต่สิ่งหนึ่งตามมาว่าพระเจ้าเรียกร้องให้เชื่อฟังให้เชื่อฟังพระองค์ทำงานเข้ามาเชื่อฟังพระองค์ทำตามวิธีการของพระองค์อับราฮัมต้องทำตามวิธีการพระเจ้าคืออะไรออกจากอะไรบ้านบิดาใช่ไหมออกจากญาติพี่น้องพระเจ้าสั่งนั่นะ แล้วก็ไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้นั้นสิ่งที่อับราฮัมทําำไงทําตามที่พระเจ้าบอกคือออกมาจากบ้านญาติพี่น้องบ้านบิดาออกมาจากชุมชนที่เองอยู่ในหมู่เครือญาติที่อยู่เอามาไม่กี่คนเอาหลานคนหนึ่งมาติดตัวไปด้วยแค่เองนะนั่นคือทําตามที่พระเจ้าบอกเรียกร้องว่าพระเจ้าให้ทําอะไรก็ทําตามนั้นแหละ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือว่าเมื่อพระเจ้าบอกให้ทำแล้วเราไม่ทำนะเราไม่ทาเมื่อเราทาพระเจ้ามรดิสารต่อไงไงเพราะพระเจ้าไม่บอกทีเดียวหมดไงบอกเป้าหมายใหญ่ใช่แต่วิธีการพระเจ้าจะบอกเป็นตอนตอนถ้าบอกอโจทย์ที่หนึ่งแล้วยังเรายังไม่ทาโจทย์ที่สองก็จะไม่ออกมาไม่ออกมาแต่ถ้าโจทย์หนึ่งได้พระเจ้าจะให้โจทย์ที่สอง บอกวิธีการที่สองบอกวิธีการที่หนึ่งเราทําตามเมื่อทําตามพระเจ้าจะบอกวิธีการที่สองแล้วจะทํำมางนี้พระองค์จะไม่บอกรวดเดียวหมดเพราะงานพระเจ้ามันใหญ่เกินกว่าเราเข้าใจนั้นพระองค์จะบอกเป็นตอนเนตอนเราคิดถึงตอนที่เราสอนเด็กฮนะเราไม่สอนเด็กทีเดียวหมดอนะ่ะหลายตอนเอาแค่นี้นะถ้าเขาผ่านได้เราจะสอนต่อไปนะต่อไปเหมือนคนเรียนดนตรีเนี่ยนะ หรือเรียนอะไรที่มันศิลปะเขาอบอกเปนตอนแล้วคุณทําเขาไม่บอกทีเดียวหมดให้คุณไปทํำนะเอาทีเด่นบางทีาางท่าดนตรีและการตอบเพลงเงี้ยใช่ไหมถ้าคุณทําอันนี้ได้ไปฝึกซ้อมได้ก็ต่อใหม่แต่ถ้าคุณไม่ต่อไม่ไม่ซ้อมก็ต่อไม่ได้ไงอันนั้นคือสิ่งนี้ตรงนะั้นนั้นคือสิ่งพระเจ้าเราเรียกร้องให้เราเชื่อฟังตรงทําตามที่พระองค์บอกถ้าเราไปดูใครกัใครเนี่ยแม้แต่กิีโอนนะสิ่งที่พระเจ้าบอกเขาว่า คุณต้องทำลายลูกขรรค์โจก็ไปทำแต่ใช้วิธีไหนก็ตามแต่นะกิดโดนไม่ทำกลางวันไปทำกลางคืนเพราะความกลัวยังมีความกลัวแต่สิ่งที่กิดโดนทำนะยังทำตามที่พระเจ้าบอกพรากลัวคนจะมาว่าเขาแต่พอทำจริงปั๊บพระเจ้าปกป้องกิดโอนทำให้ครับค น, นมาอันนั้นคือสิ่งไอนน้สองเจ้าเรียกร้อยการเชื่อฟังว่า การเชื่อฟังต้องเกิดขึ้นบนพื้นฐานความไว้ใจและก็วางใจในอพยพบัญญาวาสิ์เ อ, อ็ดิบสองเนี่ยโมเสสก็บอกว่าข้าพเจ้าจะไปคุยกับฟาโร่ยังไงใช่ไหมพระเจ้าบอกวางใจในพระองค์ให้ใจในพระองค์ถ้าคุยต่อไปเนี่ยโมเสสก็มีข้อแก้ตัวเยอะนะข้าพเจ้าเป็นคนพูดไม่เป็น พระเจ้าบอกใครสร้างปากเจ้ามาขณะพระเจ้าพูดอย่างนี้ก็ยังไม่เป็นอยู่ดีงั้นพระเจ้าไม่ห่วงเดี๋ยวพี่ชายเจ้าจะมาช่วยอารอนข้าพระเจ้าจะไปทำยังไงไปต่อสู้อะไรเข้าได้มีอะไรในมือของเจ้าไม้เท้าอไม้เท้าและพระเจ้าเอาสดงให้เอาไม้เท้าโยนลงพื้นไม้เท้ากลายเป็นงูมือจับมาไม้เท้าคืนกลับมาเอามือสอดเข้าไปในอกชักออกมาเป็นโรคเรือนเอามือสอดไป็ใหม่ชักมาขาวสะอาด ทำให้โมเสกเกิดความไว้ใจวางใจในพระเจ้ากิโอนกว่าจะพาคนสามรอคนไปรบกับคนเป็นหมื่นเป็นแสนต้องผ่านขบวนการขอหมายสำคัญสามอย่างกับขนแกะเปียกขนแกะแห้งอะไรตามแต่เนี่ยเพื่อความมั่นใจและพระเจ้าก็ให้ความมั่นใจความไว้วางใจนั้นนนัคือสิ่งที่เกิดขึ้นพระเจ้าก็ทํางโมเสกนะั้นทให้ไว้วางใจในพระเจ้าและก็ออกไปทํางาน บนพื้นฐานคารไว้วางใจพระเจ้าไม่ใช่ไว้วางใจเองสุดท้ายเรียกร้องเชื่อฟังคือว่าให้ยึดมั่นในการส่งเรียกดูกิจกรรมที่ยี่สิบข้อย2 2 3ิบสองยิบสามนะข้อย2ิบสองถึงยิบสามนนกิจกรรมที่ยี่สิบข้อยีิบสองข้อยิบสาม่าวนี้บอกว่านี่แนะ่บัดนี้พระวิ ญ, ญญาณพันผูกข้าพเจ้า จึงจําเป็นจะต้องไปยังกรุงสเสร็มไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าที่นั่นบ้างเว้นไว้แต่พุ่มญาณโดยสุดทรงบนุยญาณแก่ข้าพเจ้าในทุกบ้านทุกเมืองว่าเครื่องจําจองและความลำบากจะคอยท่าข้าพเจ้าอยู่เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าจะไปกรุงเยเรูสเลมแต่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะก่อนหน้านี้ก็มีคําพยากรณ์ ว่าถ้าเปาโลไปที่ลุงเซมจะถูกจับมัดแต่เปาโลว่าข้าพเจ้าจะไปเพราะว่าพึ่งยานใบสุดในผูกพันข้าพเจ้าไว้เครื่องจําจองก็รอข้าพเจ้าอยู่นะแต่ข้าพเจ้าจะไปเพราะพระเจ้าทรงเรียกเพราะพระเจ้าทรงเรียกไม่มีเหตุผลอื่นเลยเหตุผลเดียวคือเพราะพระเจ้าทรงเรียกยึดมั่นในการทรงเรียกของพระเจ้า นั้นสําหรับตัวผมก็มั่นใจว่าพระเจ้าจะฟื้นฟูประเทศไทยมั่นใจว่าพระเจ้าจะทําให้คิดจำประเทศไทยเป็นภาพเป็นน้ำหนึ่งกิตจกันแม้จะมีคณะนิกายเยอะแยะก็ทําทําทําทําทําไปตัวนหนึ่งนั้นเมื่อผมคุยกับคนอื่นทํำก็มีงานผมก็ไม่คิดอะไรมากคืองานคุณในงานผมไม่ใช่ไงงานผมอีกอย่างก็ทําไปแต่ของแต่ละคนงานก็ไม่เคยขัดแย้งกันมันก็เสริมกันคุณทําอันนี้ผมทำนี้มันก็ต่อเชื่อมกัน เขาทําคนนั้นทําอันนั้นอีกคนทําอันนั้นนั่นก็ต่อเชื่อมกันงานของพระเจ้าไม่เคยขัดแย้งกันที่ขัดแย้งคือความคิดของเราความคิดของเราที่คิดว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นแม้แต่ของประทานพระเจ้าไม่เคยให้สร้างขึ้นมาให้ขัดแย้งกันต่างกันแต่ไม่เคยขัดแย้งกันเพราะของประทานแต่ละของประทานเกิดขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างให้เป็นเนื้อเดียวกันอาจอย่างตัวอย่างเช่นบางทีเราเคยเห็นบ่อย คนประกาศข่าวประเสริฐที่มีของประธานในการประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยก็มักจะต่อว่าศรีบาลทําไมศรีบาลไม่ออกไปประกาศข่าวประเสริฐศรีบาลก็มักจะต่อว่าคนประกาศข่าวประเสริฐประเภทขอดและทิ้งขอทิ้งขอด ท, อดทาไมอ่าเพราะศรีบาลเกี่ยวข้องการเลี้ยงดูใช่ไหมส่วนผู้ประกาศข่าวประเสริฐเกี่ยวข้องการให้กําเนิดกับ <c> ป <oughs> ่าพิจานแล้วก็มาว่ากันนะแต่เปาโลว่าไงคนหนึ่งปลูก คนหนึ่งรดน้ําพระเจ้าให้เกิดผลไงคุณทําหน้าที่คุณไปปลูกก็ปลูกเอาคนผู้ประกาศข่าวประเสริฐอาจจะเป็นคนปลูกแต่ศิริปันก็คือคนรดน้ําให้มันเจริญเติบโตอันนี้คือหน้าที่ของใครนะและทำมาสุดท้ายต้นม้นั้นก็เจริญเติบโตมีคนปลูกมีคนรดน้ํามีคนดูแลพระเจ้าให้เจริญเติบโตนั้นถ้าเราเข้าใจในลักษณะการทรงเรียกการทรงเรียกเกี่ยวข้องของประธาน นั้นให้เรายึดมั่นในสิ่งพระเจ้าทรงเลือกทรงเรียกเราและทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดไม่ว่าทำอะไรตามแต่แล้วก็ทําสิ่งเราดีที่สุดแต่ก็ไม่เกี่ยวข้อง ก, การจะช่วยเหลือนะถ้าคุณก็สามารถช่วยเหลือคนคนนีได้ตามตามความเหมาะสมที่คุณทําได้อะ่ะคุณมีของราถานนี้ก็ทํางานหลักคนดีและคุณมีเวลาเหลือก็ไปช่วยคนอื่นเขานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเรามาแยกมัร น, นาโยกกับผู้ปกครองออกจากกันมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะ มัคคณายกอาจจะมีงานหลักหนึงคือการดูแลเรื่องของการแจกคานแต่หลังจากเขาแจกคานเสร็จเขาก็ไปประกาศข่าวประเสริฐไงนะสตีเฟนก็ดีฟิลิปก็ดีหลังจากแจกคานเสร็จคขายของคนอื่นเขาก็ไปร่วมประกาศข่าวประเสริฐกับผู้ปกครองอ่ะนะเขาไม่อยู่ไม่อยู่กับตรงนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วสบายใจแนละ้วไม่ใช่การไปช่วยเหลือการไปช่วยเหลือไปช่วยกันตามเวลาแต่งานหลักคือ ง, งานหลักนั้นกระนุนใจให้มองเห็นนี่คือภาพที่เกิดขึ้นพระเจ้าเรียกครให้จากของพระองค์ พระเจ้าเรียกคนของพระองค์นะฮะโดยการสําเดงของพระองค์เองมาถึงเราทั้งหลายแต่ละคนนั้นจงรับรู้การสําเดงพระเจ้าที่มาถึงเราไม่ว่าโดยเสียงที่ตรัสนะฮะแต่ยินกัหูเกิดขึ้นในใจเป็นความรู้สึกการสําดงบางอย่างคนมาบอกเราอะไรก็ตามแต่เพื่อนี้ให้เรารับรับโดยการตรวจสอบกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งว่าใช่ไหม นะตรวจสอบตัวเองกับพระเจ้าหนึ่งหลักการสําคัญอันหนึ่งไม่ว่าพระเจ้าสแสดงแบบไหนอย่างไรก็ตามแต่ต้องจบท้ายด้วยกันตรวจสอบไปตัวเองกับพระเจ้าไม่ว่าที่มีคําเผยชนะมาถึงเรายังไงจากใครก็ตามแต่มาถึงเราสุดท้ายจบลงที่เราตรวจสอบสิ่งนั้นกับพระเจ้าด้วยตัวเองเราต้องมั่นใจตัวเองไม่เกี่ยวเชื่อหรือไม่เชื่อ แต่เกี่ยวว่าเราต้องมั่นใจว่าพระเจ้ากำลังเรียกเราผ่านครั้งนั้นพระเจ้ากำลังสำแดงเรื่องนี้นกับเราเพื่อเราเราต้องมั่นใจและที่สันชัดเจนกับพระประสงค์พระเจ้าหลายครั้งเราคิดเองเออเองรับใทพระเจ้าหน้าตาเป็นนี้นะขอมาทางนี้เป็นนี้นะไม่ใช่พระเจ้ามีงานให้เราเฉพาะงานของเราจะเป็นแบบไหนถ้าช่วยคนออกประจากอียิปต์ก็ออกมาจากอียิปต์พาเข้าไปถึงที่เป้าหมาย นั่นคืองานเราจบแล้วนะฮะหรือเจ้จะให้ทาอะไรก็ทาเป็นงานเฉพาะเฉพาะพระเจ้าเรียกคนมาใช้ให้สอดคล้องกับพระมหาบัญชาของพระองค์ที่คันจะไปรอดหรือไม่รอดขึ้นอยู่การเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังหลายครั้งทุกคนรับการส่งเรียกหลายครั้งทุกคนรู้ว่าพระเจ้าให้เขาทาอะไรแต่ที่ไปไม่รอดเพราะไม่เชื่อฟังเพราะการเชื่อฟังเป็นช่องอเป็น ช่วงว่างเป็นช่วงว่างที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติและต้องประดับเป็นขั้นเป็นตอนตามที่พระเจ้า ท, ทรงนำไม่ใช่อะไรก็ได้ท่านอยาจะเข้าใจนั้นในส่วนตัวผมก็บอกพระแล้วก็ผมก็ฟังพระเจ้าอ่ามันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นผมก็โอเคพระเจ้าก็ต้องรับผิดชอบอะนะหน้าที่ของผมทำในส่วนของผมไปแล้วก็ชัดเจนกับงานที่ทํา นาชัดเังไงทำและพระเจ้าจะยืนยันกับสิ่งที่เราทำว่าคืออะไรนั้นก็หนุนใจนะครับในยอห์นสิบห้ากัสิบหกท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและแต่งตั้งทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผลและเพื่อผมท่านคงอยู่เพราะว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านพระเจ้า แต่พระเจ้าเลือกเราเมื่อพระองค์ทรงเลือกทรงเรียกพระองค์จะบอกข้อประสงค์และพระองค์จะบอกวิธีการจนกว่างานนั้นจะไปสู่ความสําเร็จตามความต้องการของพระเจ้าเราร่วมใจทานครับมนตรีเรื่องเพลงเชื่อและฟังคําสรรเสริญพระเจ้าฮ <c oughs> าริลลียัสรรเสริญพระเจ้าผูชมชม้ทรงประชุ และร้องอยู่ในการได้ร้องเพลงนี้ด้วยกันและทิบจชุมใจฐานกับพระเจ้าสันเสริกลครบพระเจ้าหน้าที่ของเราคือตรวจสอบการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวของเราตรวจสอบลักษณะงานที่พระเจ้าให้กับเราและขอพระเจ้าช่วยให้เรามีใจจะเชื่อฟังพระองค์ทำตามขั้นตอนของพระองค์ฮาเลลูยาโอสัเสริญพระเจ้า เพริญญาณบรสุท์เคลื่อนไหวผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงเรียกของหลายเต่ละคนและหลายคนได้ยินเสียงเรียกจากพระเจ้าและหลายคนก็รู้ว่าพระเจ้าเรียกให้ทําอะไรพระเจ้าบอกพระสงค์พระเจ้าบอกของลักษณะงานให้เรายอมรับสิ่งนั้นให้เรามั่นใจกับสิ่งนั้นให้เราเชื่อฟังฟง ทำตามขั้นตอนที่พระองค์บอกเราใหเราวางใจพรองว่าสิ่งพระงให้เราทำนั้นอาจจะไม่ตรงกับความคิดของคนแต่พระเจ้าจะทำการของพระองค์เองใหเรามั่นใจในการทรงเรียกของพระเจ้าอย่าถอยอย่าท้าอ แม้ว่าจะเจอปัญหาจะเจออุปสรรคแต่พระเจ้าช่วยให้เราสามารถกล้าไปถึงจุดหมายที่พระเจ้าวางไว้ให้สรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาโอขอบคุณพระเจ้าขอพลญาณสุดในสุงกดนาเรานําความคิดของเราสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าโอฮาเลลูยาสรรเสริญพระเยซู ฮาเลลูยาสันเสริญพระเยซูชิวาราลป า, า, าการาบากาัสันเสริญพระเยซูสันเสริญพระเยซูฮาเลลูยาขอบจเจ้าอวยพรเพราะว่าวาระเวลาของพรงคก็ใกล้เข้ามาแล้วการที่พระเยซูเสร็กลับมาก็ใกล้เข้ามาแล้วหน้าทีน้เราคือทําทําทําตามที่พระองค์บอกเพื่องานพองจะสําเร็จตามชอบพระทยของพเจ้ามันอาจจะดูยากในความรู้สึกของเรา มันอาจจะดูลําบากในชีวิตของเราแต่พระเจ้าสัญญาว่าจะสําเร็จพระเจ้าทําการสัจจันทร์ผ่านชีวิตเราเพราะพระเจ้าทรงเลือกเราพระเจ้าปรารถนาให้เราเกิดผลและปรารถนาให้ผลของเรานั้นคงอยู่สัรเสริญพระเจ้าและเมื่อเราได้เห็นสิ่งนั้นและเห็นการสัจจันทร์ซึ่งมาจากพระเจ้าเมื่อเราถูกขอสิ่งใดพระเจ้าจะประทานสิ่งนั้นให้สันเสริญและขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาสันเสริญพระเยซู สรรเสริญพระเยซูขอบคุณพระเยซูโอ้ฮาริลิยาชาราลวะสรรเสริญพระเยซูขอบคุณในความรักพระเจ้าขอบคุณในการปวยพปลองพระเจ้าขอบคุณในการสอนสิ่งของพระเจ้าขอบคุณในเสียงตรัสของพระเจ้าขอบคุณการสั่แต่งพระเจ้าที่มาถึงข้าพองค์หลายไม่ว่าจะด้วยความรู้สึกส่วนตัวไม่ว่าจะด้วผ่านทางคนอื่นไม่ว่าจะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางนอกท้าเรามองเห็นว่านี่คือการทรงเรียกสึ่งมาจากพระเจ้าสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าโอ้ฮาริลิยาสรรเสริญพระเจ้า ขอบคุณในความรักความเมตตาของพระองค์พระเจ้าใหญ่สมควรแก่การสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาไม่มีท้องเื่นเที่ยงทองพระเยซูโปรดให้ความสุขอาเทร์ลรับด้วยกันครับเชื่อและฟังคำเชื่อและฟังคำ ไม่มีท้องอื่นเที่ยงทางไรซูโปรดให้ความสุขแก่ผู้อีกครั้งขับเชื่อและฟังคำอาเมนไม่มีท้องอื่นเที่ยงทางไรซูโปรดให้ความสุขแก่ผู้เชื่อและ ฟังถามแล้วสมใจสักครู่หนึ่งกับพระเจ้าของเราจดจําเสียงตรัสของพระเจ้าในใจของเราสแสดงที่พระเจ้าให้กับเราณเวลานี้เราเดินไปกับพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์ตามที่พระองค์บอกขอบุญในความรักพระเจ้าอารย์รยาสรรเสริญพระเจ้า ขอพระเจ้าอวยพรใครเจ็บใครป่วยเอามือวางท่านเจ็บป่วยนั้นไม่ว่าการเจ็บป่วยภายนอกหรือการเจ็บป่วยภายในหรือใช้ความเชื่อของท่านแทนคนที่เจ็บป่วยนั้นก็ได้ใจเอามือวางที่หัวใจของท่านสั่นเซาและขอบพระคุณพระเจ้าดูยังพระบิดาเจ้าข้าโดยฤทประเสริฐของพระเยซูโดยแผลรอยเขี่ยนของพระองค์ มือทุกมือที่วางไปนั้นไม่ว่าอาการเจ็บป่วยภายนอกหรืออาการเจ็บป่วยภายในในนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาเซีตจงหายเป็นปกติสันเสริและขอบพระคุณพระเจ้าและการเคลื่อนไหวผู้ยานบผยสุดรับการทุกใจความหนักใจความกังวลใจความท้อใจหรือสิ่งต่างทำหัวใจของเราอ่อนแอ เขาที่ทับอกในนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาเซธขอสั่ให้เขานี้เลื่อนออกไปและขอพญายาเสทลงมาเขาไหลายเต็มวิสันิสุขทึงมาจากพระเจ้าความชื่นชมดีถึงมาจากพระเจ้าและความชื่นชมดีนั้นจะเป็นกําลังของขับทั้งหลายขอบคุณในความรักองพระเจ้าพระเจ้าใหญ่สมควรแก่การส่งเสริมขอพระเจ้าได้รับเกียรติทั้งสิ้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนใจพ่อนครับ